จะได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือไม่เนี่ยนะแค่คิดแบบนี้เนี่ยใจก็มีความหมองแล้วนะคือไม่ใสเหมือนกับน้ำที่เหมือนกับแก้วน้ำที่มีน้ำเข้าไปอยู่แล้วอาจจะครึ่งค่อนแก้วมันก็ไม่สามารถจะรับน้าได้เต็มทีนะ่พิธีกรรมเนี่ยมันช่วยให้ใจ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 หลายคนเนี่ยนะทบุญด้วยความเข้าใจแบบนี้มากนะซึ่งที่จริงนะไอการทาบุญเนี่ยนะผู้จ้าก็ตัดไว้ไว้แล้วอยู่แล้วนะว่าการให้ทานเนี่ยนะมันย่อมมีอ น, นิสงย์นะย่อมมีอ น, นิสงส์ที่เป็นอายุวันนัสุขพะพละนะอันนี้พระก็ให้ให้พร อ, อยู่เป็นประจําอันนี้เราไม่ควรสงสัย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 ก็เลยเข้าใจว่ า, าการการถวายผ้าก็าต้องให้สามีมาเป็นผู้ถวายพอเป็นผู้ชายเสร็จแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะเราเร า, เราจะได้บุญหรือเปล่าเนี่ยเพราะเราไม่ได้ถวายกับมือนะแต่เราให้สามีถวายเนี่ยเพียงแค่คิดแบบนี้ใจก็หมองแล้วนะไม่มีความไม่มีความเรียกว่ามีความผ่องสายเบิกบานน้อยลงนะ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 หวังความโปรดปรานหวังความชื่นชมสารเสริญจากท่านอันนี้เป็นเรื่องของอัตตาเรื่องของหน้าตานะซึ่งถ้าเราไปยึดมันถือมั่มากนี่มันทําให้เรามีความสุขได้ยากนะคนเราเนี่ยถ้ายึดอะไรก็ตามโดยเพราะยึดหน้ายึดตายึด อ, อยากจะให้คนชมคนสารเสริญก็จะทุกข์ง่ายนะสุขยากและจะว่าไปแล้วเนี่ย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 มันมีหลายระดับนะแล้วก็ระดับสูงสุดคืออะไรและทำอย่างไรนะถึงจะได้รับอนิสงส์นั้นนะนั่นคือทำด้วยใจที่ปล่อยวางนะยิ่งปล่อยยิ่งวางนี่กลับได้นะแต่คันอยากได้กลับไม่ไดนะ้แต่ถึงแม้ว่าเวลาเวลาทำบุญ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 แต่ถ้าเกิดว่าเรานะนอกจากจะจิตใจจำ侬มุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วนะเราก็พยายามฝึกเพื่อการลดการละนะความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูด้วยยิ่งดีทั้งด้วยการให้ทานก็ให้ทานด้วยใจที่มุ่งลดละรักษาศีลก็รักษาศีลด้วยใจที่มุ่งลดละนะไม่คิดจะอวดไม่คิดจะไปโชว์ใคร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 เวลาภาวนาก็ยังทำด้วยใจที่อยากจะเอาเนะืเพียงแต่ว่าสิ่งที่เอาอาจจะไม่ใช่เงินทองนะแต่เป็นสิ่งที่มันดูประเสริฐ ด, ดูสูงนะแต่ก็ยังมีกิเลสมีตัณหาอยู่นะต้องผัานมาสำรวจนะตรวจตราใจของเรานะว่าไม่ว่าเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีเนี่ยเราทำด้วยใจแบบไหนนะใจที่คิดจะเอานะหรือใจที่คิดจะละ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 คิดแค่นี้มันก็จิตใจก็เศร้าหมองแล้วนะแล้วก็พอคิดแบบนี้แหละทำให้เป็นอุปสรรคนะต่อการเข้าใกล้ปรมัตถะหรือการเข้าถึงพระนิพพานอ่าคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะอากลับฮะ